เป็นอบายศกบาติกาก็เป็นอบายศกบาติกาที่ดีที่เขาเรียกว่ามีสิ่งมีธรรมพระเจ้าไม่จากไปไหนไม่ได้จากเราไปไหนหรอกพระเจ้านั้นจากไปใส่ตายแต่ว่าธรรมะหรือคําสอนหรือใจนั้นไม่ได้จากท่านจึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นประสาทคนผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นมาเห็นประาทคน เพราะว่าล่องลอยที่เราทํานั้นเป็นล่องลาวของพระสัากุไม่ว่าเราจะเดินจะเดินจะนั่งจะใส่ยาหรือทําใจเป็นมัชฌิมาิิ์หรือเป็นเอกสิทินั่นแหละเราเห็นพระสัทธากุแล้วถ้าสัาก็ก็แปลว่าที่พึ่งของเราถ้าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่เรื่องราวของพระสัากุทธนหละเขาเรียกว่าที่พึ่งของโลก ทำนายพิจเป็นห่วงใยสัพพะตะทั้งหลายนกัก็เพราะว่าสัพพะตะทั้งหลายนั้นไม่มีหนทางพักคือไม่มีหนทางแห่งธรรมนั่นเองท่านจึงห่วงใย ห, หรือว่าเมตตาตสงสารทิศจึงหันหน้าจะพักมาสู่ลักษณะแห่งการแสดงธรรมหรือที่แห่งธรรมให้เรานั้นมีความเข้าใจถึงที่พักหรือว่าธรรมะที่ตนเองควรจะมีิด เัานด้ทำมาที่เราทําอยู่ที่เรื่องเล่าของพระตถาคตต้องจําเข้าไว้ถ้าสัมเทธิไม่ฉี่ระญายโจนทั้งหลายจำเขาไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตั้ตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมนั่นแหละผู้นั้นเห็นตั้งตถาคตไตตคตม่ว่เาเราจะยืนจะเดินจะนั่งใสยญาติมรมดิ์นี่คือเล่าของพระตถาคตที่ทําจนลุ่มด ง, งอัตตีคือสําเร็จครับ เพะนั้นในกิริยาที่เรานําไปใช้อย่าจะมาด อ, อ, อย่าจะกาดหรือทาทายหรือจะดูถูกและดูนีิ่นต้งใช้กิริยาของท่านด้วยความสงบและความเปล่งใจความยดีที่เขาเรียกว่าสติและสัมผัสเดินมันจะจบทางเส้นนี้ทั้งห้าเส้นนี้ไม่ใช่ทางของมนุษย์คนไหนนี่สร้างขึ้นมาแต่องค์พระธรรมก็สร้างขึ้นมาเป็นอันเนฉริยะ จนเป็นชาติสุดท้ายได้บำเพ็ญอีกหกปีท่านก็จะสำเร็จธรรมขึ้ น, น, ท, นทุกคนเข้าใจคนเข้าใจถึงคำนี้แมว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปรจักชาคนกำหนดเดินจนกรมกำหนดด้านสมาธิกำหนดยืนสมาธิกำหนดใส่ยาสมาธิกำหนดจิตเป็นมัจจิมานั่นแหละ สั า, าคตใครกระไรใจถ้าเข้ามาทำในกิริยาทั้งห้าประการนี้ผู้นั้นไม่เชื่ออยู่ในร่างลอยพระสัทธาคติจะไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีความทุกข์ผู้นั้นจะมีความสุขคือความสงบแต่ถ้าใครพลาจดจัดลอยพระสัทธาคตทั้งห้าประการนั้นบุคคลนั้นอาจจะมีทุกข์มีเวรมีกรรมและมีการพัดพลาก จากันไปตามลักษณะเวรและกรรมที่เรากระทำเราเป็นบุตรเป็นสาวกควรจะจดจำแป่นสารของศาสนาเทาวีเป็นสารศาสนาไม่มีอยู่ห้าประการเ ท, นทน่นี้เาซึ่งเขาเรียกว่ามันจเจริญสิ่งสมาธิและปัญญานอกอื่นแล้วไม่ใช่ว่าเป็นแป่นสารของศาสนาเลย อดทนนะมิยรเลยเพื่อว่าเน้นลายพระปรามกฏให้มากๆเน้นวันวิสาขะจิดกําลราจะติดปฏิสนธิขึ้นมาในท่านกลางของพระพุทธคำประสงค์เขาเรียกว่าจิตนีเลิกดีเกิดขึ้นมาในท่านกลางของคนดีจิตเขาเรียกว่าทางทางเสื่อนเราทุคนไม่ใช่ทางเสือน แต่ว่าเราจะเป็นช้าเถือกต่อไปหรือว่าจะเป็นช้างดําก็แล้วแต่จิตของเราถ้าจิตนันสุดผลยู่ในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เคยกว่านช้างเถือกเหมือนอย่างพระสริมาหามายาได้มิมิช้างเฉือกก่อนที่จะจุดจิรปฏิสมทิแต่เหมือนกับจิตของเรากําลังอาจเกิดขึ้นอะไรในธรรมกลางของพระพุทธธรรมประสงค์ เป็นวันรู้อีกมันสัตถ้าช้านเกแล้วต้รู้รู้ว่าบาปนั้นคือทุกรู้ว่าบุญนั้นคือสุขรู้ว่าบารมีนั้นคือปัญญาคิด ถ, ถูกทําถูกเข้าใจถูกไปวเหตุผล น, นั่นเขาเรียกว่าคนมีบารมีถ้าเหมือนกับว่าเราเป็นผู้รู้เป็นบุตคนหนึ่งขององค์พระตถาคตปฏิปการตัดจักรทันสี่ประการซึ่ ขึ้นหนึ่งรู้ทุกรู้สาเหตุของทุกรู้แวนวทางการดับทุกแนวทางการดับทุกนั้นก็คือสี่อยางลห้าองค์นี้แหละเขาเรียกว่าแนวทางการดับทุกทําไปเรื่อยๆทําไม่หยุดทําไม่เบื่อ น, นายทําด้วยสติปัญญาและวันหนึ่งก็จะตื้นสุกความทุกเหล่านั้นซึ่งเขาเรียกว่าเดินอยู่ในฝ่ายฆาตกรรม ที่สุขขัดดีแล้ววาจาที่สุขขัดดีแล้วจิตที่สุขขัดดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แก่กายจิตของตนเองมันเป็นคําสอนของท่านฉะนั้นทุกคนก็ต้องฝึกมันฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกจิตฝึกยังไงฝึกให้เกิดเป็นความสงบแล้วก็ฝึกให้เกิดเป็นความรู้คือให้รู้แล้วก็ให้สงบ ถ้ามันตกอยู่ทีนี้รับรองว่าอนาคตรหรือปัจจุบันนั้นจิตตัวนั้นจะต้องมีสุขเพราะจิตเหล่านั้นไม่ลาลบในลักษณะการเเลี่ยนผู้ใดด้วยการด้วยวจารก า, า, ารเปลี่ยนไม่มีแล้วด้วยการวิจ า, าแล้วก็จิตโด่งดันสุขโตก็เป็นพิสูจนของจิตตัวนั้นต่อไปตัวแบบสุขโตคือเป็นสุข ตายก็สุปตโจออยู่ตรงกันดูแบบโตมีธรรมแล้วก็ไปแบบคนมีธรรมเข้าไหมนะนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นธ า, าตุฐาคนถ้าเราไม่เห็นท่านเนคงคงจะไม่ทำแบบนี้คงจะไม่มีความยินดีในการจัะพึก ธ, ธรรมคนกระพฤตธรรมนั่นแหละคือคนที่เห็นธ า, าตุฐานคนนะจำเข้าไหม อย่าไปเบื่อหนนะ่ายอย่าไปเกลดกลั่นอย่าไปใช้ความไม่รู้เข้ามาเป็นอันตรพาลอยพระธรกฎความเพียรคือความพยายามเราต้องมีความเพียรและต้องมีความพยายามขึ้นเป็นการช่วยเหลือตัวเองทนทายได้น่ะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือสัพพะตะพัหลายอีกแทนเนศสาให้สัพพะตะพันหลายโดยไม่มีกําหนดนั่นคือจิต ข, ของตัวทิฏกวาง แล้วก็ใหญ่จิตใหญ่เขไม่ียกว่าจิตธรรมะจิตไม่สนิทที่เดียวจิตไม่เห็นแต่ตัวนี่เขาเรียกว่าจิตธรรมะเหมือนอย่างพระเจ้าของเราก็จิตธรรมะไหมไม่มีคํำว่าเลือกคํานบรรดไม่เลือกสิักมรรคสิทธิถ้าคนอยู่ต่อหน้าจะพักแล้วท่านจะโปรดแล้วก็แนะนําว่าฟังสอนซึ่น คนนนเรทุกคนมาลงมาอยู so, now, ่ที่นี่เราชื่อว่าสามมติธรรมไม่ได้เลือดชนทั้นและวันนะไม่ว่าคนนั้นจะมีแต่จนจะมาจากไหนเราผู้สามมตีธรรมกันขึ้นไนทำกานก็สมนลยว่าเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราไม่แตกต่างพระพุทธเจ้ากันมีความรู้เช้นเดียวกันมีแนวทางเส้นเดียวกัน เราเข้าไม่ขัดแย้งกันและก็ไม่ทะเลาะเแย้งกันอีกแค่จเกิ้นจากการทะเลา ะ, ะในอาวุธเจ้าองค์เดียวกันนั <c oughs> ่นเองหายใจพุทโอนะพุทให้รู้โอให้สงบเราลืมตาขึ้นมาแล้วนก่คือยาที่เชื่อนไหวเราต้องเป็นผู้รู้ผู้สงบอีกเช่นกัน ไม่ใช่ว่รู้เดี๋ยวนี้แล้วก็สงบเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้นกสงบเด๋ยวนี้แล้วก็รู้ต่อไปสงบต่อไปที่จริงแล้วก็ง่ายนะการจดจําเรื่องลอนนั้นง่ายแต่ว่าการกระทามั้นยากนะไอ้ที่ยากหมายความว่ามันมีตัวหนึ่งเนี่ยคอยลบลางจะได้หลับลตัวไม่รู้ เราไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่ามางไม่เห็นคําว่ า, อาลอยทศชาติคนที่เป็นแสงสาคนเรามักจับเพ้อหรือหนีในคำว่ารอยอันหนึ่งเพราะว่ามีคนส่งเสริมก็จะมีคนขัดขันแต่คนขัดข้าเนี่ะคือคนที่จะทําให้เรามีความเพียรขึ้นเห็นดังพระเจ้ามี อาเทวทัพเป็นผู้คัดคานแต่ถ้านกมีความเพียรที่จะหนีเทวทัพให้ได้เทวทัพได้ถือมาด้วยความเพียรเกิดขึ้นจากความพยายามแต่ถ้ามีใครมาคัดคา้านมองเห็นอยู่เรื่อยๆความยินดีก็จะเกิดอาบรากฏขึ้นเรื่อยๆยินดีที่จะปฏิบัติธรรมในการเดินเดินนั่งสัญญาณนิจมาจิต ดูรักษาใจรัจษาสิาา่งตื่นหนิ้องกิริยากระแต่ทำก็กระแต่ก่อนก่อนที่จะทํทาทำเสร็จแล้วก็กระขอเขอา้ามาแตดูถูกดูแคลนหรือว่าอาญาชิงชังในกิริยาของพระห้าองค์แล้ววันหนึ่งจิตนั้นจะเติบขึ้นทาไมนะคนที่จะตายไปแล้วเนี่ย จะไปสั่งลงมาให้กับบุคคลที่อยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมเสรอช่วยเหลือด้วยการปฏิบัติธรรมไอ้เหี้ยแ่บอกว่าส่งข้าไปให้ส่งนานไปให้ไม่บอกว่าความปัจจันดูเหล่าใดไม่จะเสร็จเท่าความปัจันดูปฏิบัติธรรมจะช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยตัวเองหรือจะแผเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงลักษณะแสงสีแห่งธรรมแต่เขาเข้าใจเป็นธรรมาแสงโอภาสจับพันดูหมายถึงแสงโอภาสมีก็เกี่ยวกับเรื่องของแสงจิตไม่ดีก็เกี่ยวกับแส ง, งที่เคอต่ อ, อให้ฟังจิตคนที่ไม่รู้อะไรที่จิตสีดำแสงสีดำ จิตที่ดีคือจิตสีเหลืองแสงสีเหลืองไม่ใช่แสงอาทิตย์แสงพรจร์หรือแสงอ่อนมันกันแางของจิตแต่แล้วก็ต้องไป เ, เปิดจิตให้ตัวเองดูแตอนนี้เวลาทุกคนคงจะเห็นได้ว่าวพระพุทธรจ้าของเรานั้นอัศจรรย์ขนาดไห น, นไม่ใช่เหมือนเรานอะจริงอยู่ถ้าสี่ขันห้าเหมือนเรา แต่ว่าเรามาคิดถึงบุญบรารมีเนะี่ยเหมือนเราไม่เหมือนเรกถ้าเหมือนได้คนจะเกิดเหมือนเราตายเหมือนเราแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยในโลกที่สามารถทํนนาได้วันจะสูบวันกัดชโลวันนิพพานวันเดียวกันนี่แหละที่เรียกว่าคนมีบุญบรารมีอีกชั้นหนึ่งของจิตที่เข้าไปแทกซึม มันจะไม่มีใครสามารถที่จะอาจเป็นลักษณะเช่นนี้เลยนะับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แม้วก็มีสาวโลกองค์ไหนจะเป็นเช่นนั้นได้เรา่องคว่าองค์พระพุ้เเจ้าเมีองค์เดียวเท่านั้นโลกไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นพระพู้เเจ้าเหมอนได้การเป็นองค์พระพุ้เเจ้านั้นต้องมีการสร้างบารมีขนาดไหนาการบริสุทขนาดไหน แน่เหมืนกันที่นั่นั่กันอยู่นี่ใครเป็นเกิดจากแอบแอบมาเป็นพระโพธิสัตว์ทัว่าพระโพธิสัตว์นั้นหมายถึงบุคคลที่จะอุบัติขึ้นมาเองมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างเรานีพระโพธิสัตว์นั้นหมายถึงบุคคลที่ใกล้จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้คนชอบพูดถึงพระโพธิสัตว์ชอบชอบตั้งตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์ ผูท้ที่จัดจะมีองค์หนึ่งที่จะสุบติปฏิสนธิมาเป็นผู้รักษาเพื่อให้สิธรรมต่อไปเราก็รู้จักท่านว่าองค์พระศรีอริยะเนใกไต่ตเวลานี้ท่านจะสถิตอยู่หน้าดุสิตสวรรค์รอเวลาหรือกำหนดที่จะตุบติปฏิสนธิต่อไปอเกิดขึ้นจากการ บ, บรบรพนบนบารมีนี่แหละ แปลคนที่ประเพ็ญบุญบา ร, รมีเนี่ยมีจิตใจที่แปลกออกับคนอื่นกิริยาเขาจะอ่อนช้อยวาจานั้นจะอ่อนช้อยจิตนั้นจะเยืดเย็นก็ดูแลจิตกจขพลเสั่เรานั้นมันเยือกเย็นไหมถ้าเย็อเย็นอ้าวเราก็เป็นคนมีบุญถ้าร้อนไม่ใช่อ่ะถ้าคนใจร้อนไี่คือคนมีบุญเอาไปเลยก็ดูหลักฐานศาสนาดินะ พระทธเจ้าทรงทำขั้นแรกเลยนะคุมอะไรให้มาคุมกายก่อ น, น, นจิตเช่นเ้าจะบราลุาลก็ตั้งแต่เราวังก่อนให้มาคุมกายอันนี้พอกายนี่เท่าที่คือสา ม, มารถอารินะเวทนากายได้ให้มาคุมจิตนี่มาคุมจิตได้มันก็จบเรื่องเขาก็บอกว่าตรงๆอ่า นิสัยกายอ่ะคือเวทนานิสัยจิตคืออารมณ์แา่นี้แหละเรามาทำกันสองเรื่องเนี่ยแล้วเขาไม่ได้่อนให้เราในปรักษาคนอื่นด้วยเขาตอนให้รักษาตวของเราเนี่ยาจารยบอกกวแล้วว่ า, าตายทีอัตโนมัติตนของตอนเน่ะทำให้เป็นที่พึ่งของตอนไม่ใช่ ว, ว่าคนอื่นที่มาทำให้เราได้ด ตีนนี้เราก็ใจเหตุผลข้อนี้แล้วเราก็ทําตัวของเราใครจะทํายังไงเรื่องของเขาไม่ไดเกี่ยวกับผลดีผลลายแต่ตัวเราเราทําดีเราก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีคนอื่นเ้าทําดีเขาก็ได้ดีคนอื่นเขาทำไมดีเขาก็ได้ไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยเราต้องพยายามคิดถึงเรื่องนี้ให้มันเกิดเป็นปัญญาแลัฐาน ถ้เรามาเจออยู่ในเยี่นงกางขององค์ศาสนาผู้รักษากายรักษ า, าจิตล้วจะเอาบุญเนี่ยเอาบุญอบรารมีคนมีบุญป็นคนที่สามารถที่จะทำกายทำจิตให้อยู่ในล่องรอยของธรรมะได้หรือว่าสินธรรมได้แค่คนมีบุญ คนไม่มีบุญเนี่ยคือคนที่อยู่นอกลอยไม่ได้ลอยอะไรแต่พนเลยร์คือลอยกายลอยจิตทีนี้คนมีบุญเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีภาตคธรรมบุญบา ร, รมีเนี่ยเาเรียกว่าธาตุธรรมบุญที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์บา ร, รมีของเราคือจิตสามารถมีปัญญารอบรู้หรือมีความเข้าใจในชีวิตจริได้ กสามารถจะการเป็นคนอ่อนโยนคนเยือกเย็นคนมีเหตุมีผลทีนี้เรามาดูบางคนที่เขาไม่มีท่าธรรมคือบุญเลยเขาไม่มีบา ร, รมีทางจิตเลยในหะ้เราปตะโกนล้องเรียกแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจเขาก็จะเดินตามทิสัยของโลกเขเดินตามอารมณ์ทีนี้นอารมณ์ที่เขาใช้ ก็เกี่ยวกับอารมณ์ของความโกกรบกดลงทะนั้นแหละนี่คือคนที่ไม่มีบุญมีบรารมีแล้าถึงเห็นว่าคนนั้นทำไมทำไม่ดีพูดไม่ดีการมระตุ้ไม่ดีเพระเกิดขึ้นจากจิตทีาไม่มีบรารมีตาจะมีสีขาวหมายถึงจิตคองท่านมีปรมีหันสิ่ความรู้สึกทั้งฉันมีดาวเดียวหมายถึงล้กษณะประพุะทธรรมประสงค์ ขึ้นอ่ะขึ้นกรรมฐานหกคือวิญญาณเป็นเรื่องอุปมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงจังคนจนก็ไม่ใช่เรื่องจริงจังคนเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่จริงจังหรือจะเป็นคนว่าเสียบเสียขายสิบหกขุดทั้งมันก็ไม่ใช่ไม่ชของจริงจังหรือจะเป็นสัตว์หมูหมาตากจที่จกทุกแต้มก็ไม่ใช่จริงจังมันเป็นเรื่องอุปมา ก, กันที่ทําให้เกิดขึ้น เราจะไม่ไดิ้อะไรแต่เรื่องอย่างนี้ว่าเป็นจริงจังเราก็ต้องฟังแนวทางของท่านทวายเรามาอยู่ในโลกของผู้ที่ไม่ไม่มีความจริงจังเขาเรียกว่าโลกมายามายาแปลว่าไม่มีรากฐานแม้อนต้นไม้ไม่มีแก่นมีอะไรในโลกที่เป็นรากฐานเศรษฐีก็เป็นที่เท่าขอทานก็เป็นที่ขาด เนจะมีแต่แขนแต่ขาเนื้อตัวเต็มไปด้วยโรคต่างๆมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงจังคือมันไม่ใช่เรื่องการจังนเป็ น, น, นเรื่องมายาแต่นี้เราเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเดินตามร่องรอยดูเหตุผลเราก็ต้องเอาล่องลอยของท่านเราเป็นหลักคือหลักการวิธีการไในนี้เราเป็นผู้ดำเนินการ ดังนการดำเนินการของเราถ้ามาอยู่ในร่องหลอดมันก็ผิดพากติดพลาที่เรียกว่าจะได้บุญบารมีขึ้นเพราะนั้นผู้ปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าผู้ที่พร้อมพร้อมที่จะประจนมานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเวทนากายเวทนาจิตเราพร้อมที่จะประจนทุกอย่างประจนกับลักษณะของไม่เที่ยงคือเรียกว่าตัวมายา จริงอ่ะประจัาหน้าเราอยู่ทุกวันเช่นตากระทบผูนี่ยเขาเรียกว่าประจันหน้าผูได้ยินเสียงเนี้ยเขาเรียกว่าประจันหน้ า, าเราทั้งรู้ว่าสิ่งนี้เป็นมายาเป็นของที่ไมายังเยินไม่เป็นกัณฑ์นี่ดูซิว่าจิตตรงนี้นี่จะคับเลืกเอกออกมาเป็นลักษณะอะไรจะมีปัญญารู้ท่าทางเหตุการณ์เหล่านี้ไหมในโลกของเราที่อาศัยกันเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเรื่อนน้ําต่ําสูต โดยมีโลกไี่ได้เป็นครูทดสอบทดสอบดวงจิตตรงนี้เราจะตั้งจิตไว้นิ่งเฉยๆไดนไหมเพราะเรามาทําปฏิบัติสม เ, เด็จอย่างไรลองรอยนี้ก็เรียกว่าเรามาทําจิตให้เป็นจิตเพราะว่าหลักฐานของการทําจิตก็คือเอกนาคเป็นเอกกับจิตเป็นที่พึ่งของนงันนาจิต อันนี้บุคคลนี้เข้าใจจิตเขาก็จะไม่มีการยึดถือกับภาวะต่างๆของสิ่งที่มันเป็นแกลงต่างๆขึ้นจาดไว้ตลอดชีวิตคำว่าจัดตลอดชีวิตนั้นหมายในลักษณะถวายทวายกายวิาาวาจาจิตเป็นสัจัดตลอดชีวิตเรียกว่าจาดฆะหรือการเสียสละขึ้นโดยเราจะไม่นําวิถีชีวิตของกายวิจาจิตไปสู่คําว่าอารมณ์กรรมหรตวกรรมติดต่อไป เดื น, ดนยืนหยัดนะครับมาผจญผจญอารมณ์แล้วก็ผจญตัวการทำที่เขาเรียกว่าขึ้นหาขึ้นแป้นหรือขึ้นที่ซ้อมที่จะรับฝ่ามือของพญามารทุกอย่างแล้วจะไม่ลุกออกจากสถานที่จะไม่เดินออกจากสถานที่จะไม่มีคําบทุติยลิศต่อสถานที่ที่ตนเองรักและบูช า, าเขาเรียกคนตรงตก ยินยอมรับคาว่าฝ่ามือพญามารที่จะมานะครับว่าความร่างฐานในวิญญาณทั้งหขึ้นตาหูจมุกรินกายอารมณ์เป็นพญามารที่จะมาผจญขึ้นในคาว่าจิตที่สวยสจิ์ตลอดชีวิตแล้วธรามามันเกิดขึ้นจริงๆไปเห็นอัลลาหทานเตไปเตมาเตมาเตไปเดีวหัวทิ่มไปแล้วนะ เกิดขึ้นจากกาดดำเนินการในลักษณะถิดวิถีการ น, น้อยจะทลาลสุขหลับความขันติอดทนอย่องกินเล่อนนอนเลื่อนอารมณ์เลื่อนการสะสมตลาเป็นทุระและหนา้าที่ละนนถ้าเราจะเอาร่างลอยของศาสนาไปใช้ต้องขาจายขรมาชิด บ้านผิดให้เป็นจิตแล้ให้ผิดวิสัยสองจิตตอนนี้เราก็มาทดสอบทดลองทวามจิตจนสิ้นเนจ็ตนิ่งๆเฉยๆนั่นแหละเนาเรียกว่าจิตจิตแล้วก็การรับรู้เหมือนต้นไม้เนี่ยถ้า ม, ม, มันมีลมพัดมันก็อยู่เฉยๆตอนนี้ลมพัดต้นไม้ยกไปยกมานั่นคืออะไร แลณลมนั้นมาจากไหนไม่ใช่เกิดขึ้นจากต้นไม้แต่มันเกิดขึ้นจากชัานนอกที่พัดผ่านมาจะเป็นลมหนักลมเบาก็แล้วแต่ก็เหมือนอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางจิตมันไม่ใช่เรื่องของจิตไม่ใช่อ่าจิตเนี่ยิดอารมณ์แต่ว่าเพราะว่าในโลกนี้มันเป็นไปได้วยอารมณ์สลายยากซึ่ง ป, ประกอบเป็นตัวกระถางขึ้นถึงข้าได้วัดจบกันจึงนั้นเหตุเรได้มาผจญ ขึ้นะคิดว่ า, าการปฏิบัติธรรมนั้นนะ่ะไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคจะมีบารมีได้อย่างไงไม่มีเหตุจะมีปัญญาอย่างไรเหมือนถ้าคนเราไม่หิวจะกินข้าได้อย่างไไม่เสียใจน้ำตาจะไหลยอย่างบรารมีก็เกิึ้นจากการประทะเหตุแล้วก็สู้เหตุดูเหตุในหลักพระปัจจัยเหตเข้าใจเหตุไม่ใช่ว่าจะวิ่งไปตามเหตุที่มันเกิดขึ้น หรือจับเหตุแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆนี่ก็เรียกว่าจิตมั่นจึงจะเรียกว่าคนสร้างบา ร, รมีท่าน้เราเดินอยู่ในทางของพระพุทธเจ้าผู้สำเร็จธรรมเราเป็นผู้ขอบุนบา ร, รมีก็ต้องมีความเพียรความพยายามขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทามาทั้งวันทั้งคืนหรอก ทำไปตามลักษณะของผู้ที่เก็บเหมือนถคนเราเก็บตัพเป็นเจ็ดสี่คือรายเล็กคือรน้อยเนีคือการรวบรวมรวบรวมเนี่ยคือลักษณะของคนที่มี่คุณบอกว่าพระพุทธไม่ใช่อยู่ในโต๊ะพระพันไม่ใช่อยู่ในตําราพระสงฆ์ไม่ใช่อยู่ที่พันหรือพระพุทธควรจะอยู่ที่ใจพระพันที่ใจพระสงฆ์ที่ใจจึงจะเรียกว่าสจิตใจนั้นเข้าใจศาสนา หรือว่าคใครจ่ายดังเราของท่านเอนแล้วเราก็จะต้องประกอบใ น, นลักษณะอะไรอ่ะมีความเชื่อมั่นเรียกว่าศราภาษาทรเชื่อแล้วก็เลื่อมสายเรียกว่าความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าการรมมีจริงและประธรรมมีจริงถ้าเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแล้วแม้คนยังไม่รู้เรียก อ, อะไร เม่อเราจะแยกกายแยกอารมณ์แยกจิตอ อ, อ, ออกไปเราจะต้องเชื่อมมันเนี่ยกายกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในเราเขาก็เรียกว่าหลับย้อนอดีตย้อนไปหาเหตุผลของคนที่ดีทำใครอยากจะมีธรรมคนนั้นก็ต้องปริบัติธรรมอย่าไปตึกตักเอาว่าเรารู้สัจธรรมจากคัมภีรำราแล้วไปพูดอย่างเขาเรานั่นจะเสียใจในขณะชีวิตนั้นจากไป คือไม่ได้อะไรเลยจะทํำว่าเกิดและพบจักนาเพราะนั้นหลกกักโลคุตระจึงย้ำในเรื่องการประพฤติธรรมและกระแสจิตของธรรมจิตรักษาจิตให้ดีๆที่เขาเรียกว่ากายสังขโหโลกสงเคราะห์คือการเนี่ยสงเคราะห์ให้เรานั้นสร้างกระแสจิตให้เป็นธรรมโลกคือบทเรียนที่จะเป็นผู้แนะนำให้รู้จักคำมักกรรมทั้งหลาย แตนี้ถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ชีวิตแข็งโลภุตละธรรมของเรานั้นก็คงจะไม่เสือ่อยหยันน้อยก็คงได้มีโอกาสไ ด, ด้ขัดคาว่ากายวายาจิตตกเหมือนอย่างที่หลวงอานำบูชาเมื่อตอนขับขอพระทำคําคสั่งสอนขององค์ประสัมมาสมมามเทิเจ้าประวทนำแก้วสามประการนี้สู่พระมิถาน เมื่อเราปรารถนาอยากจะขัดกายวาจาจิตให้เป็นแ้่ก็จงมีสติธรรมเป็นเรื่องล้ำลึกและเป็นเรื่องกระทําึเหมือนกับเราขอพระธรรมคำสอนของเขาถ้าเราเข้าใจายอย่างนี้ความทราบซึ้งในเรื่องการกระพุธรรมคงไม่ศูนญคงไม่ศูญแม้จากคำว่าจิตของตนเพราะนั้นโลกุตละธรรมก็เหมือนกับแตแกรงที่มา แสวงหาคำว่าผู้รู้จักคุณธรรมพระพุทธเจ้าและรู้จักกรรมที่แทจ้จริงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมต้องการคนรู้จักที่แทจ้จริงรู้จักกรรมหนีกรรมรู้จักธรรมปรบับปรุงธรมงก็จะเกืดอเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของตนในปัจจุบันชาติวันนี้เรามีโอกาสได้มาวิสาขารวบรวมความสามที นานาจิตทั้งหลายและจะมีการเจริญธรรมะร่วมกันก็ขอให้สติธทรรมการกระทำทั้งหลายที่เราทุกคนนั้นได้ฝ่ายหาสแสวงหาและกระทำขึ้นนะจงเป็นมงคลแก่ชีวิตตนในปัจจุบันนี้และก็อนาคตข้างหน้าล้อ็ให้สุขการสุขวิจาก็สุขใจสำหรับพระเนรุชีและญาตาโยมทั้งหลาย ขอให้เดินทางเหมือนอย่างการเราเดินทางเวียนเทียนองค์พระพุทธเจ้าด้วยสัจธรรมที่แท้จริงสื่อสายวาจาจิตให้บรรลุมรรคสีผลสีรมนิทานหนึ่งนะอาลัท่านี้แหละเ็ได้